โยกแตกไห้พาถางหนีไปทางจำเป็นเหยียบเส็จก็พบกับกองทัพชีเส้นขนทหารเก่าตะพันจนยี่ยมมุงีนอยู่หนึงพบจีนซีขึ้นหนังขึ้นมาเข้ามาล้อมขนาบป้องถังกันเจี๊ยบตายเจอเลยขานทหารกองเจอหยบแต่งทีนขึ้ตายยุทธ์ไม่กจังก็จตายโยกเจี๊ยขับมาหนีไปตามทางอกเขาแต่ทีเดียว ก็ไปพบกับตาตีเป็นส่วนกลาชีวิตตาตีตาตีหันไปหันเบลอย่าไปเชื่อมันมารวมเอามีของมีเงิจอรีสั่งจดตาตีเลยดุเจรีมาแต่พมาพบตาตีคุณผ่านควมมุสวนทาลงมาลับกมนควาดีเจรตแต่พูดเ่มเติมเจอก็จะวทีนี้คขอจะไม่เล่นอะไงโน่ตา พาเจียวละทานหนูมาได้เจวหนูก็คว่าซึ่งท่านพักทานข้ารเจาและข้ารเจกาีฟังท่านนั้นโทษข้ารเจกาผิดหนักหนาขอท่านอย่าไปพยายาทหรือความเลยเจียตหนงกล่าวขอรู้กับโทษตัวเองกัน ก็จี้ถอยลับมาฝ่ายปีเหลวเตรียมจ้องสองตลาดสายว้างกองทัพลกซิ่นที่รถขึ้นสร็มาทำางเนี่ยเอาเมล็ดไทยชนะดีขายเกย์วิบแต่่าไปแล้วกบเก็บุตรเด็กเรียาตราอาวุธเตินมหาผู้คน ที่มาเข้าเปเรียกันด้วยประมาณสามหนึ่งยกกลับมาหาลกสิ้นลกสิ้นก็หยุดฐานคอยท้าอยู่กลางทา ง, งเห็จีเหลือมเตียจ๋อได้ผู้คนประเวอาหารคู่ฝาปาบุมา ม, มาก็ดีใจเมื่อธนภิเรช น, ก, ชนก็พากันยกกลับเมืองกลา ง, างั่งสิเปียนโจงหันลกสิ่นะ กลับมาก็ดีใจก็พาทุนเงินทุนเปลวออกไปรับกองทัพยกขิ้นถึงมอบเมืองแล้วถ้าเอาศัพท์ปฐมนั้นยกขิ้นเข้ามายิ่เป็นการให้เกียรติเป็นหนึ่งศูนย์สนกป็นแม่ทัพผุ้นำใครจะเลืามาสู้ครั้นนายท่านนายกองทุนเปลวมาถึงพร้อมกันแล้วเพื่อจุดเปลก็จุดนะชื่อจีหงคือผู้จิตใจเมืองนำเมืองไปมอบ ก, กับ เขาอะมีขอกันนี้แตากระทรวงก็ติมกล่าวว่าที่มีของกรทำการครั้งนี้มีความชอบทำเป็นล่อลวงฆ่า ทำาหาไปตีเอาเมืองโลกหินเถิด เขาบอกแต่นถายตวละแนี้ แต่ความตายเลยนี่นถ้าเจ้รอบทีนี่ยก็รพักแสงรังพันต่ตามาประการไปถึงความเป็นอย่างทั้งดวงก็ใช่สิป่าวได้ว่า ใช้คนถือหนังแต่เกับที่เราคิดถึงความสำคัญล่ะคือจะเข้าบุกใจหูเตอให้ได้ความบกราดเต๋อจะควอาถุงยุบ เด็กกาบพูว่าถ้าผมดังจะยกทัพเข้ามาใหม่ครั้งจะต้องเข้ามาทางตําบลตังฉองนงนะครับและความที่เาจาะประจด็นนี้ว่าถึงยกานสามสิบมนไปทางตําบลตังฉองน่งีสุมาอีคเมตรฐานอ่านใจผมดงแรกก่อนผููก่อนเลยทีเดียวคนดำเนินต่อไปว่าในขณะนั้นมา้าแทยก็เดยมีความไปแก้งแต่สมาอีณเนะมืเองลบเสียงว่าบัดนี้ กองทัพมีเ hmm. สียฉวนอยกมาทางตำเบนตันช uh, ่องล้วหนสมาศิษยาอวานิเราติการที่เปลี่นอกครับพื่นกับพระเจ้าเกยยอยพระเจ้าเกยยอยจะห้ที่มีเขามาปรึกษากันทีเดียวเุณคนุนพรมเรื่งใส่เพื่นเรากิดสังเกตไดุ้ณพลมรื่องใสุ่ณพรมเรื่องใส่ตนี้ห่งแต่จะกลวบไปทัพถ้าไปทัพจะเยอะใาญ่ไปตามกันเกยหิน เป็นการนัดหมายผู้เขาอยู่โรงพยาบลแพบมากรองจายไปเจ้ถิ่นี่ออกไปฏิทาเส็จขั้นแรกผ่าท้ายย่างแย่นี้มีบาดมอเมื่อพระเ้เตรียปรึกษาโดยที่นายทาปรึกษาเจ้าถิงนก็ทุนอะแต่ก่อนพระองค์โปรดให้พระเจ้าไปรักษามียหลีงเสือนั้นก็หาความชอบแบบนี้ได้ และกระทำการเป็นโทษอยูเป็นหลายครั้งขบเจ้าก็ยังไม่ได้ทำการแก้ตัวก่อนครั้งนี้ขบเจ้าจะขออาศัยเจ้าทนได้ทำการเอาชใยชนะให้เจนได้และองศ์นั้นเป็นคนมีฝีมือถึงน้ำมาักหกสิั้งซ่อนลุขไปได้โดยเสื้อถึงสาม d i p e เด็กอบายจิตโดนปันฉลองเนี่ยมีค่ายตั้งส ก, กับอยู่ก่อกำแพงต้นว้ทติปากทางเล่น ค, คืนคู่มั่นคนทับขันนะเฮ็ดเดียวคุณถานมารักษายอยู่ดีใจยก ยกมาทำการหวังจะตีเอาเมืองโลกเหอยียนอีกก็แต่ตำวลตังของเท่า น, นี้ยังตีนแตกแลื่ที่ไหนจะทำการใหญ่เหรียญตีไปได้หรอคนเด็กล่อไปนี้เราก็สั่งให้ทำเอาเตี๋ยอีเหียญไปข้าเนียคนบึงสั่งข้าวอีเหรียญอีแก่ นายไข่เฮกเกียวก็ร้องบอกเข้าไปที่ดียวเราที่กินเสียงเป็นเพื่อนรักกันกับเฮกเกียวเราดูเพลินจะมาหาเฮกเกียวเราปติรับเราดีฉัอหันเข้าไปร้องขไปบอกแต่เฮกเกียวเฮกเกียวนายไข่นายฐานให่ที่ซุ่มาอีกขับนือไดอย่างดีให้มารักษาตำหนิปันของมันสำคัญเนี่ยเอาเฮกเกียวฟังให้เตยปฏิรู รับกินเสียงเข้าไปต่างคนต่างกคขมับกันแล้วเฮกเกียวก็ถามว่าท่านมาหาเรานี่มีกิจกรรมสิ่งใดกินเสี่ยงก็บอกว่าแบบ น, นี้ตัวขเจาวเป็นทาไปาาาถึงได้เจตจำนดิบดิ้นพระเจ้าล่าวสิ่งคนบึงหรือว่าทผ่นกับขบาจาเป็นคนชอบพอกันมาแต่ก่อนก็เด็กใช้ขเจามาหาท่านทั้งนี้ ก็หวังจะให้ขนธรรมะเดียวเตะเบีเด็กฟังดังนี้ก็รู้ทีเดียวเขาจะมาเรียกล่องนะโกรธนมันนีอยู่ในพันธุพิเศษทีเดียแล้วก็จริงว่าเตี๋ยวพน่เป็นข้าพระเจ้าเราเสียนแต่เตี๋ยวเราเป็นข้าพระเจ้าเจยย่อยเด็กกินเรียววัดพระปีของเจ้าเด็กกันมาบัดนี้พระเจ้าเราเสี่ยงก็พระเจ้าเจยย่อยเจ้าของพี่กับเจ้าของเรา ก็เป็นข้าศึกกันตัวท่านกับเราต่างคนต่างก็ต้องเจ็บร้อนด้วยเจ้าของตัวท่อยทีเป็นข้าศึกกันอยู่ซึ่งท่านจะมาเจราจาด้วยเราพูดกันนี้เป็นปากไปเถอะๆกลับไปเถอะว่าเนั้นละเฮกเดียวก็ยุบหนีเดินขึ้นไปบนหอรถเลยฝ่าทหารทั้งองนั้นทนารกงเกเกียวน่ะก็ขับอินเสื่อนเนี่ยให้ออก จะได้ดว เข้ามาก็เข้าไม่ได้ในที่สุดก็ต้องถอยทนไฟคนเกาทาันไปอย่างไรอะ่ะผมเอนก็โกัวก็ตื่นละถาไม่ก้มเสียฐานไดทัาง น, นี้เพราะเราเนี่ยเบาตวางประมาทเข่าทีสุีทีมีเสียทีเก่าทีสุเชนี้ผมเองโกรกลธตัวเองก็ตื่นละประมาทเองประมาทว่าเขามานเพียงสามพัน เบาความประมาณเกตข่าสุดยิ่งเสียดีแต่คุนแมก็กล่าวว่าแต่ก็จำจะต้องไปเอาให้จงได้แล้วคุไม่ก็ใช้ทหารอาจทําขัดแปะคือเอาไม้มาทําขัดแตะเพื่อจะได้ป้องกันลูกเกาพันธุ์หรือว่าทำโลก เ, เอาไม้มาไม่ไผ่มาทำให้ขัดแตะเข้าแล้วมาอยู่เกาพันธุ์ยินงมาถูกไม้ไผ่นี่มันก็จะไม่ถูกตัวละนีทั้ที่ตั้งบางตัวป้องกันตัวให้ทั่ทั้งตัว ครั้นเวลาเชา้าก็ระเบิดทหาราพร้อมยกเข้าไปอีกเข้าพัดไข่ไหมเฮกเดียวเห็นทหารโง่ดิทำแตะมันตัวเข้ามาป้องกันลูกเกา่าพัได้ดังนั้นก็เม่ใช่ลูกเก่าพันให้ทั้งโขนกว้อนพีรามาแต่เฮกเดีย e วมีความานะสามารถกว่าคือไม่ใช่ขนก้อนพีรามาแล้วก็ทุ่มทิ้งก้อนพีรามะไปเฉยๆเท่า e นั้น ไม่ใช่เอาเชือผูกกอนธีราขาวะแล้วก็ทิ้งลงไปฐานขเล่นเอาแตะขึ้นรับทานไม่ได้ผูกก้อนธราเพืเกป เ, เล่ไปเอ่อครั้นจะเข้าทิ้งกวอนธีราก็ไม่ได้อีกแหละคือเจ้าทหารก็ดนกดชักอ่อนขึ้นทุ่มปล่อยก้อนราลงมาทีจะเอาวุฒอย่างนึงทหารัเชิงเพินก็ทำเช่นนั้นคือทุ่ม หนีกนอมาแล้วก็สาวกลับ้งไปสูงพอประมาณที่จะปล่อยยอ้อ น, น, น, นไลผูกกระเป๋าถังของทหารคนดุเจตวร่วงไปแข่งขาหักหัวร่างข้างแตกร่ปงไปกันตามกันที่เบาบานลงไปคเบ็งเสียฐานอีก็จะนนมากก็เข้ากระชิดไม่ได้นายจุดก็ต้องให้ถอยออกมาอีก จะ เ, เกรียมฝึกมันมาครั้งนี้จ็จกับถ้าฝึกจำนวนเท่นับเป็นอย่างเียน้อยนิดท่านสามพังเท่านี้คงยุ่งทำอะไรไม่ได้ต้องตรวจสอบซ้ำด้วยเรืวัดสมัยสร้างให้สร้างปฏิบัติที่ต้องการตัางแต่ใระดับการวิัยั้งพร้อม อยู่ในที่เพียงเข้มข้นมั่นคงกว่าถ้าสุดท e ้ a n ระทะมันตรายนีไดแ้แต่คนไม่ก็ไม่ยอกเพราะางวลาอืนองคดสั่งเรเ ว, วเป็ น, นกล่ า, าลวัวึ้นคนอินเรียกว่าข t นหมัสามพไงบนไม่ได้ไ ป, ไ ป, ไปข้างลีไม่ได้ลุบ ด, ดินไป แต่ทะลุ ก, ไไกระบนกาแพงโคมแดงการดำเนิ เ, เยลวอรทนี้เฮชเอโก็รู้งกาขกักนก้นเหมือนกั น, นกไม่ทะลุกระบวนกาแพงได้ลรแต่มแดานเข้าทาการบูยูเทนี้ประมาณถึยี่สวันจังหตนชองมีสหารรักษาอยู่ถึงสามพังโคบหลวงโบิแด เกเว็ทาาอะาไราไม่ได้ดดวันเสีสสสยชีวิตกล้เข้มาแล้วก็ชือ่อ า, านย่นั้นก็ต้อกลาวให้ฉบมบึง้งเอาชนเีเม้าหารมปเป็นอันมากทีดียวุ่มบึงแนี้มีความิงเป็นทุกมีดี ในขณะนั้นทหารก็เข้ามาบอกว่าแบบนี้ทางข้างที่ตะวันออกเห็นกองทัพยกมาก อ, องอาจารย์อักษรมาในโพงว่าองสงองสองผลเด็กลบบีก็ติดถามแบบที่นายจะาาเราออกไปรับทัพองสมครั้งนี้ระเบิดเหยงซึง่งเป็นมายฐานรองทู่ ก็กินขบับอาสาวัดขบเจ้าแต่ขออาสาออกไปเองผ ม, มมุับมีามีเกิท 3, ันนดสามนใ่้เยกยื่องเยื่อหยกแล้วส่งโยกออกไปภารหนิดจนขีจนขีก็มันสามพันโกกงออกไปแล้วหกเหรียญก็สัถอยกองทัพเหรยญนเยียนอมตั้พ้นจากที่เดิ ประมาณ200เซนฝ่ายเชียร์หยงคุ้มทานยื่นรปถึงกลางทางแต่พวกกองทัพอมสนยกมาประทับกันเข้าก็ขับผ่านก็รบพุ่งกันเป็นสามมากไม่ต้องมีอุบายการประการใดๆต่อย้ดกันในรุ่นเตรียมหยง อสู้เลองสงไามเพลงองสงทหารหูโตแทนวิทยเพียงเกียหยงทหารคนดึงตกมาตายทหารป้ามันก็แตกหนีร่นโงมมีแต่ทีเกลี้ยก่อมเร่งไม่มีทหารเอกที่มีพอเลยถ้าเป็นจักรันก่อนคืนต่อเปี่ยนเปรียเปลียนวิจุรเรืองนูดิน ส่งออกไปถ้ารบกันแบบนี้แล้วเป็นกองม้อยกองใหญ่นี่เลือกไถ่ชะทุกข่ า, า ม, มามีนิสเพียงยงออกไปพยงยงเก่าตายกองคข็นดีดีไถ่ชนะแล้วก็ขับปางรติด ป, ปขย่ยางหั่นนันหมดกรนยี่ทหารของพยงยจนมาพบกองทัพของจมคีที่คนได้ส่งมาอีกกองนึงส่วนกองมาเนี่ยก็เข้ารบพุ่งกันเป็นการใหญ่ จงขีก็ขับมนาะเขา้าซด้อโองสองซืดยสามเพลง อ, องสองฟั น, น, กกนุ่นน้าถูกจงขีตัวขาเป็นสองท่อนโตกจากหลังม้าไปถึงแต่ความตายไปทหารตั้งสิ่งก็แปดตัวหนีกรเลยแปดทับกลับมาเลยทีเดียว สองกองที่ตนออกไปเชืยททอยนโจนขีตัวนาเอาชีวิตไปสเลยอาคมอาวุธขององเ์สูงโบกตื่นผาานั้นแตกเป็นเหตุเปดตหนีกลับมาเอากลับมาถึงค่ายวกเขามารายงานกับผมเลยงานที่เรบผมาใ น, นทุกประการนะเจองมีสาุกประการถึงความผ่านแพสูญเสียยับเยินมดเลยสิ ผมดุใจเห็นแล้วนนก็ปลอบใจก็ทิ้งให้เรียวหัวอองเซิงเตียวหนีหนีตอนนั้นก็ ม, มีฟิล o มดีหออกไปลบกับอองสสามมาดีๆเดียวขณะมีเรียววออตียวนีมายกออกมาพบกับกองทัพอองสง้าก็ตัข่าขณะนั้นเตียวหนีก็ให้เดียวู้วอองเซิก็า ตัวเองขับมา no. ไปต่อส <AN> ู้ดียกองสงสู้ได้ประมาณสี่สิบปืนนีเสียทีกันกองสงนั้ رك, ทำ <cond vitamin Gregory> ทเป็นเสียทีมานีเตียวหนีเตี้ยหนีก็ไลยกระชั้นก็ไปทีเดียวนี่องสงมีทารที่มีดีที่โจกิงเขานำตัวเขาเขาวายต่อหน้าพระตีนังของพระโจทยอยอ่ะ กดสูงต่างอกสองสอิหน้าดางตาแดงแล้วก็มีลูกครุฑเป็นอาุธมีเศกอีกอย่างนึงมีค น, น ส, สูกับเตียงนี่ต้องดูว่เมียงหนีมีมีพอตัวทีเดียวสู้ได้สีสิบเลยไม่ถูกองสงทาเป็นเสกหนีชมาดีเตียงหนีก็ระารติดตามกระชั้นที่กับไปทีเดียวมาเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวมี เป็นสงครามมามากอยู่มือนกันเห็นอย่างนั้นก็เกระเสียมีกับเขาก็ราองเรียกเตียงหกลมาก็พอมีเป็นจังหวัดที่ อ, องสงนะ่ะถึงหนีนะคอทีที่จะทิ้วคลุกเขาเรียรกว่าพลิ้คุกก็คือว่างจากอุิมานะพอดีอองสงพิ้คุกคมถถัดโขหน้าอกเบี่ยงนีเข้าไห้เดียวนีคุกคุกก็ถึงกับ ขัดเลยล้วก็เก็มาดซบบนหลังม้านันอองสนดูทีนะก็ชักมากลับมา้าไร้ไกตามมาของเดียวหนีเหลียวหัวองเซ็งเห็นดังนั้นก็ขับมารําทูนออกไปช่วยเดียวหนีเข้าไว้ทั้งสองเด้๋ยเข้าสู้กับององสฉนทหารกันเอาตัวเดียวหนีถูกเก็บมาดแล้วกลัเข้าค่ายได้ข้างฝ่ายทหารของององสฉน เห็นได้ทีตอนนั้คนะ่ะก็เข้าตีฆ่เยววองเปงเตีวนีฆ่าเยวัวองเป่งเตียวหีแต่ ท, 8. ทหารขององสนทหาร SUV, อเอกที่นี่ของโจตินก็ไล่ฆ่าควานทหารแของขงได้ลบไปเป็นน้ำมากกินดูเยวัวองเป่งเตียวหนีสามทหารกันดีที่นู่เป็นที่นี้นิดก็ต้องพาทหารหนีกลับมาหาขง่งอยางค่าย เราต้องเข้ปรายานว่าองสงีนีัมีกำลังมากนะบณิบัขอท่านยับยั้งางมที่นี้ก่อนอย่ากรเลยว่าทานลงปันวนีู่กมีมวตำรวจมออกมาอัดเกี่ยวมาเป็นวิายครั้งทีด ผนเบ่งก็เรียกหาเอียงอุ้ยามาปรึกษาว่าเยี่ยงหยงจนทีก็ถึงแต่ความตายแล้วโดยพิมีองศงฐานผู้นีบันนี้เรี่ยวนี้ออกไปโรคอีกเราก็โดนอาวุธเขาสาหัส ก, กลับมาเก็ดหนักนะหากสุดที่กำมังเข็มแขนชนนี้ เราจะไปทางตังชองง่องนี่เห็นจกขัดสนต่ทิค่ารประกรนันใบดีขอท่านช่วยดำองดีให้เราด้วยหรหลงของเด็กขุดแก่งฟ้าเจาะดินต้องขอคำปรึกษาแากเกียงอุม e. เียร์ุก็จรงว่าช่วงกำมบนตังช่องนี่เป็นพานข้าขังแล้วเฮ็นเย ก็มีสติปัญญาทีนี้ก็เข็นแข็่งป้องกันรักษามั่นคงอยู่จะหักไปนิดได้ขอท่านแต่งงานที่มีผิวยกไปตั้งถ่ายสลับทานรักษาตำบนเกติเองอันสำคัญไว้ก่อนและวมีจากรฐานไม่ตั้งรับดูนาที่มีกองแล้วเราก็จะล่อยกพัพใหญ่ ลักไปออกทางตำบนกีสารอยากให้ข้าสุดฤทธิ์ั้งรู้เขาไจะบไปที่อู่บายจากตัวโจเิ็งไม่ถึงได้มีเตรียมหีเข้ามารายงานต่างความคิดเค่นี้ก็มินดังรายงานแจกกองพระกองแรกขึมาถงตังชองแล้วก็กลับไปรายงานแบบตังตังช่องเน่ยไปไม่ได้หรอเพราะว่า เขสงถามมารักษามัคนคงเป็นแขนะคจะยกไปทางแปดเียออกไปทางเขาปีศาเถอะแต่ผมเไม่เชื่อตอนนั้นไม่เชื่อมาตอ น, นี้เียี ก, ก็คิดอย่างันนี้นนีให้ไปออกัางีศาจนู่ เ, นเห็นชอบด้วยนี่ฮอกโเห็นชอบด้วยนเชื่อถือความคิเห็นของเกียร์ีคน้องเปวิ คุณงถามนัดไตามผ่านน้อยให้ต่รักษาตาบลเกย์เตงไว้ก่อนข่าวก่อนก็องเตงนะครับแต่ว่าองเตงกับมาเกครางนี้องเตงกับนี่อินให้ต่รักษาเกย์เตงแล้วผมเองก็ให้ชีวิตเยีเ่ยมชีวิตเยีเ่ยรอตายได้เพาะไปแพ้กลับมาเป็นกองหน้าทีนี้เขาไม่ได้ผมเจะตมารทุกที่ เอาหมันก็ไม่้ไม่เห็นเนี่ยตังรักษาป่าทางทางสองแล้วให้มาใต้เป็นกล่องหน้าเรือมวิ้เนเตี๋วเปาเป็นกองหลังแล้วก็รอบยกหานมาทางตำบนจำโกะจะไปออกทางเขากี่สามอยู่ๆเเริ่มดาเดินแผนกันเดกแต่งเป็น่สุลับฉบาบหนี่ ใ็คนถึงเข้าไปถึอเกีวยวถฝ่ายเกียวออกมาตั้งอยูดัาเลเสียงเนี่ยแต่ตอนที่อาศามาก็เลยขอใ็้เกียว 062หน้าดำตาแดงรสนักวิยาธาพันดังเสือ อ, องสงเขาเอาให้ะครับโจกินไม่ขอองสงคนไี่ออกมานี่องสงนี่ก็ต้องเรียกว่าเก็นจาสามารถเป็นที่ยิงสังหารสองทหารคสงสำคัญของของเบ่งบ่คือเตียโยนและกเนียนี่คุองสงนิดนคือกิน เป็นให้อองสงไปช่วยให้เดียวยังด่านตามช่องเพื่อก็รู้หาว่ามีใครนะาแกของเวี้ยเนี่ยโจกิ้งกยิงดีปัต้ตอนอาศามันเนี่ยก็จะต้องจับตัวเบี้ยให้ได้แต่โตกิง้งฟังให้วปวดปลารักษาด่านทางเป็น่วนขันเปลาทัา้นที่ไปกรเวสอดแมนมเนี่ยก็จับได้เบาของเกียงกุย ขึ้นกินีุ้ยใช้ถึอรนังสือรับเข้ามาใหะแกโจตินเนี่ยเอาหารโจกินไปจับคนบุนีมาได้ก็ตัวเข้ามาก็มีการสอบถามกันว่าเองมาจากไหนคนถือหนังสือของเกียรอยก็ตอบว่าเข้าไปเจ้านี้จะได้เป็นคนสอบแมนเข้ามาซับซับเอาปิดกิจ ก, การข่าวสกกาาืบราช ก, การงานบุรีแต่การใดก็หาไมได้ เป็นวนมันไม่เคียวอุยที่ถึงคุณพิมใช้ขบเจาเอานสือลับมาให้ท่านเจ็บมันแต่ถัตระแกทหาต้องปลวกอยอีกอย่าง น, นี้ขบเจ่าจ้าวมีือออกให้ท่านก็ยังนิดได้ขอท่านขับทาร น, นั้นตัตวนี่ยออกไปเสพ้นก่านมีเตียงใช้คนดงสือมาอย่างนี้ถึงจะไม่พลาดกดชื่อน้าก็ตามก็แต่ก็มีช็อตปัญา โจติมด้วยฝันทีู่ยินดีกรู้ียรติยกนีหวานกันได้คับเกนก็เป็นคนของอูโสโกเกียรนี่แหละก็ต้องยกเป็นข้าของโจยอโจติมนี่แหละโจติม่้ว่ฝันที่ยินดีก็รับทหานของตอนที่อยู่ใกล้หิบต่ อ, อไปใผมผมชายของเกียงติยศนั้นก็แห่กอเชื่อร่วมเอาหนันสือฉบับมันออกมาส่งฮะ โจก ร, รับมาแล้วก็ชี้เขาเลงานดูทีเดียวมันสีรัของเดียงอที่มีมาถึงโจกิงเนี่ยเป็นใจความว่าขเจ้าดีอทีมมทขอข่มโทขอกำลมาถึงโตโกตั้งดูยายให้แงนี่คือตำแหน่งของโจกิงเขาโตโด้วแต่ก่อนขาเจ้าจะได้คิดเอาน้ำใจออกหากนั้นานิตร แต่เป็นอยูท่ทานนี้เพราะหลวงกรของผขเบ้นจึต้องมาเป็นค่าให้เขาใช้อยู่ทุกวันนี้ก็จำใจอยู่คิดจะใครก่กลับมาถึงฐานของตัวก็มาไม่ได้บัดนี้โขงเบนก็มีความเอ็นดูเขาประจาพรักใคร่สนิหารังเกียจมาและคุณทัง ก็มีแคเข้าไปเจอแกก่อนนั้นก็ยังมีเล่ห์ดแผนถึงตัวเข้าเจอแกตายนีเล่ห์กลับไปบ้านเกิดก็ตามแต่แกก็จะขอแตน้งคุณเป็นเล่ห์ซื่อุราเสก่อนุ่นท่านจะออกรบในของเล่นนั้นอย่าซู้ให้เป็นฝีมือเลยแรงทำถอยถอยหนีเสียให้ทหารฟฟวิงเสฉวนไล่เข้าไปเขาไปเจอาอยู่ภายหลัง ก็ติดเพิงขึ้นในท้ายเผาทะเบียนอาหารเพื่อสิถ้าเห็นฐานทัพวงตกใจอลมหม่านขึ้นแล้วจงให้ทาหารกลับสวงทานรบลงมาก็จะจับตัวผม ไ, ไดิ่งได้โดยง่ายเอาอีใจความในหนังสของจีงมีไว้อย่างเนี้โจจินแก้งความไน่นังสือสาคัญจะบับดีแล้วเนี่ยโจกินก็สาคัญว่าจริง สำคัญว่าเป็นความจริงก็ดีใจอ่ะก็นาก่าจะพบว่าเป็นจริงได้ตามโดยสๆที่เก่์อีอ้ อ, อ่ามาเนี่ยหลงตัอของเรื่องนี้ก็จิ้งต้องยอมเป็นห่าเขาใช้อ่ะโจกิ้งทุกิดว่ามีเจ้ารอ ย, ยเทพยดาจะมาช่วยเราให้ได้ความชอบในครั้งนี้เป็นมั่นคงแล้วก็ตามธรรเนียมดูโจจิงก็ตงรู้่าในบางวันกับผู้นสือเนี่ยแล้วก็ทีว่า นกลบไปบอกกันายึ้เถอะเราจะทการบ้านเรื่อใดแล้วจะกาหนดไปให้รู้คนถืนงสือก็ทนับแล้วก็รักกลเอาความตั้งสิ่งมาบอกกอีกว่าโจกินนึเหือีงสือเกณฑ์กลับไปแล้วเนี่ยวจกินก็เรีนหัยครับหมาควมว่ารึกษากันเดีย ว, ว่ะซงเกงีให้หนังสือรับมาถึงเราเช่นนี้ ดการณได้ี <Jub ilee> ีโอีโอก็พ <ming> ูดว <rene> ่าขุนเจ้ว่าผอมด้วยเนี่ยเป็นคนเจ้าปัญญาความคิดเกลียดว่าที่เกียอุ้ยทำากงอุบายมาจะเชื่อฟังแค่ทีเดียวนั้นไม่อย่างนี้ได้อามินเกียอุ้ยก็เอาใจออกหาไปอยู่กับผอมด้วยท่านนานแล้วมีหรือ วัาแกปรับมาเข้าเด็ทันนั้นเขาก็จเห็นว่าพิดอยู่ดีเอว่าอย่างนี้คือยังไม่ให้เชื่อโจกินก็คือว่ากินอินไปยู่ที่โข น, น, นเบ้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งใจไปอยู่ในสุดแกวเจจำต้องเยู่จาต้องอยู่เด็กแพ้รู้เสียคนอุบายเขาแล้วเนี่ยและตัวกินอิน ก็เป็นคนชาวเมืองเราก็คิดจะไ่ปามาิงฐานของตัว อ, อยู่ทุกวี่ทุกวันก็เห็นไม่สมัครอยู่กับเฟซชวนแน่นอนจะต้องปามาหาเราเป็นมนั่นคงอันนี้ท่นอ ย, ย่อวกเอน่าีลวเรานั้นนะเห็นผิดปะ่ะมีจทชื่อนเองเชือ่อเป็นอย่าง นี่ก็หมายควว่าไม่เชื่อปีเอลเลยสิีเอลก็เชื่อเมื่อท่านจะเชื่อวันดังนั้นก็ตามเถอะแต่พราว่าตัวท่านเนี่ยเป็นอยู่รักษาค่ายนะจะได้เข้าไปเลยถึงแม้ความบัปล้องที่จะรกันตามอุมาที่เกียมีว่ามาให้นะปีเอลขอว่าโจกินไม่จะไปดเล ย, เลยถ้าเจ้าจะขอเข้าไปเก็ทําตามถ้อยคำของเกมีเอง นว่าเก่งวุ่นตรงต่อเป็นความกิก็จะเป็นความชอบของขึน้นแต่ถ้าิที่เป็นคนมาปรการใดแล้วไว้เปนพนัก ง, งานกับเเองจะต่อตู้ดยศัรูเมื่อเดืร้อนมาท่านหรอีเดียวว่าอย่างนี้ก็ปีเดียว่กว็ซื่ฟังื่อตรงจนรับพัดมีก่อเจกินอย่างแทรย์โดยมย้ำมั่นใจดิเป็นคนอุบัติถ้าปล่อยโจกินไป แต่ตกในกรณีหมายเขาอันตรายั้ปวนก็ต้องเป็นของโจกีหรื่าผมกอาศัยการนี้เท่อันตรายประการใดๆก็ตามนั้นก็ต้องเป็นของผมแต่เพียเดียวโจกีหนักฟัีอาขึ้นอย่างนี้ไปแทนตัรเจกก็เห็นชอกยินยอมกเกณฑ์านในีเดียวหมเือีเียวก็ลาไปยก่านไปประมาณพานสองวัน ไปยกองทพอยู่มาชายก็มาบอกาบัด น, น, นี้กองทัพมีเสือวนยกมาั้งเมืองตำนจำก็เป็นหลายค่ายมีเยเจ้โยการุกไปเดียวขณะไปถึงตำนจำ ก, ก็ทหารมีเสวนก็ยกออกมานั้นต่เข้ารลกมีโวกขับฐานรุกเข้าไปทหารเมืองเสวนก็ทำถอยหนีลงมามีโยกหนังนั้นก็ฝายา ง, งยุด ย, ยู่ไม่ตา กองทัพมือเสือฉวนเห็นตีเอวไม่ฟามก็กลับมารุกขึ้นมาใหม่ีเอก็สายขานกระจายหน้าเอรบหิีกองทัพมือเสือสวนก็กลับถอยหลังที่แต่รบแต่ล่อเป้นแต่น้อยกองทัพีเอวไล่ไปดังนั้นอ่ะจนวันยังค่ำคืนยางรุ่งกีเอวจะใ้อักหานหรืหิ้หาข้าลาอาหารกินก็กลัวกองทัพมือเสือสวน แต่เข้าเกมตีขนาดหุผมหนหาอเาื่้อจะหยุดหาหาออยก็หยุดไม่ได้ก็จำ้องข้าวการขรรพขึ้นไปเรื่อยไปเอาพอดีมึงลุกขก้นมาขรรมันกดถอยไปก็หยุดอย่อยนี้ผรรฟต้อุกเรื่อยไปอิจเรยกำลงังลงก็ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาส่งข้าวปลาหานกันเลยนายพับมากองมือเฉยฉวนปิดันขึน้นอย่นี้ เห็นได้ดีแล้วคนนี้ก็ยกฐานโหร้องพระมาทีเดียวร้อมมาร้อมหลังกองทระทีเอียวไว้โดยรอบมิดแขนอุบายเพียงอีที่จะหลอกจากเจ๊ิ้นเนี่ยถ้าเจิ้นมาเองเนี่ยต้องต้องเกิน เหมือนดังที่กะนั้ตีเอวผู้อาศามาแทนเจ้าผมก็มาอาับจนดีเนี่ยทาหารเสด็จชนล้อมไม่โดยรอบเนี่ยฝ่ายของบึงนี่ก็แต่งตั ว, ตวโอโทมถือพักต้องหน้าที่เกวียนน้อยยกทหารออกมาข้างหน้าทีเดียวแล้วก็ร้องไปว่าให้ทาหารทั้งปวงไปบอกมายรับของกรนดกมา เราจะสนธนาด้วยปีเอ e. ียวเของเบ้งร้องมานก็ขับมาออกมาข้างนาแล้วก็สั่งทหารว่าถ้าเหหารของเล้วพุ่งเข้ามาละให้ถอยกองทัพเราจะยกงกมาถึ้งหลังค่ายกองนีแล้วแสงแสงธูงติดขึ้นในค่ายก็จมเร่งรบพุ่งขน้าฝัก่กบัตปีเอียวสั่งทหารก็กระดึง แล้วก็ขับมามาขานาดคงเ่งเห็นปีเอวที่มาเดินมาหน้าทางข้างบนแก็ร้องว่าเพื่นจะออกมาเจวจาเรื่องเราใ น, นหาควรไหมจงกลับเข้าไปบอกเอกโจกินให้ตัวกิงออกมาพูดกับเราถึงจะควรคุณบ่งคิดว่าโจกิงมาเดินในกองทัพนี้ปีเอลก็โ ก, โกรดก็ร้องตอกว่า โจทนไม้เราเป็นคนตั้งดินในศาสตร์ในธรรมมีนี่ควรที่จะมาเจราจาในทางจึงเป็นคนผ่านปรยะยชนต่แผ่นดินไม้เราเนะี่ยเสมือนหนึ่งทุกสัตวชาซึ่งมีลําต้นเป็นเนยินมีใบพร้อมทั้งดอกและผลเป็นทองไม้เราคนรจะตั้งดินนั้ที่อันเป็นที่ยอ่ออันจะมาตั้งยินในฝันแต่ดินจะนหารคนไหม มีปีอี๋ดาผมได้ดนูนวิธีนี้คือยกโจกินกยศูงก็เท่ากับเกียโขนนุ่งจนดินไปลเลยโขนเงดยยี น, นติต้โกรกก็พัโดโบว์ปนักสัญญาณขยานล้อมเขา้าจตัวมาตายเจียงนี้ยกขานปีกกรนาออกมาพร้อมกันทะั้ง2องข้างทางปีอี๋ค่อาน่ยาานอย น, นี้ไปทานประมาณส0เร้เน ก็เห็นแสงเงินปีกขึ้นข้างหลังค่ายของเบงอตามสัญญาไงเห็นแสงเงินปิดขึ้นแล้วจมเรือรถลุกข้าฟังเข้าไปอ่ะบัดมีสิเห็นแสงเงินปีกขึ้นทางด้านหลังค่ายของเบงก็สําคัญว่า ก, กินเงี่บติดโคลงขึ้นตามสัญญาที่มีนิสุรับให้ไปยังโจกินอ่ะก็ขับสารรบเข้าไปผมเบงไพศานถอยล่อมา ปีเอียวเห็นด้วยพี่ก็ขับมาว่าคือใบหน้าทหารนั่งพวงวนหยุ่นเ调เป่าลูกชนะเสือทั้งสองที่ตั้งซุ่มอยู่นั้นก็ยกทหารเรืดอดมยิงเกาวันมาทั้งสองข้างเลยปีเอียวเนี่ยคือคือรู้ก่อนรู้ว่ว่าจะต้องมายครับแต่อีกทางหนึ่งก็คิดว่าอาจจะชนะได้แ้่ก็ดั รอยที่เดิมกันว่ายังมีคงจะไม่ลอดลวงนะแต่บาทนี้มันเปิดน่ชะชัดยิ่งกว่าชัดแย่ยิ่งกว่าแยงและเช่นนี้กองของพวกินเดเปาจะล้มเก่าพันจะนั่งก็มาตีเดียวรู้ตัวต้วตองโผล่เดือบแน่นอนแล้วก็ามาหนีฐานน้ำโก็แต่ตัวนีะเลยดหยิบย่ากันล้มตายไปตีเดียว ถูกก้าทานมาเจ็บขาหักล้มไปแต่ก็มักไม้ปีเดียวขับมาหนีมาถึงปากทางก็มาพบกับกองทักเตียมปืนยกมาสะกัดอยู่ปีเียวก็ร้องหนาเดือยไอ้ขบวนยึดใกล้ล่อลงตัวให้หน่นดึกคนเตรียมปีนก็หัวเราะแล้วก็จิงว่าตัวตั้งใจจะจับโจดินแต่บัดนี้ใครมาได้ตัวมันนี่เรา แต่ก็เอาเถอเอ่งลงจัดหลังมามาให้คุณมัดเอาตัวไปเพื่อโดยดีเดี๋ยวพักกันหนีไปเลยปีเียวเห็นฐานทั้งเมงล้อมมาล้อมหลังเป็วด เ, เป็นสามาถแน่นหนานะจะหนีอย่างไรก็มีคนแล้วปีเดียวเป็นยอดฐานเสือใจเด็กคน ก็มีทักษะมีเคื่องคอตัวเองถึงแต่ความหายเป็นเพ่นในบัตดมนั่นเลยคือทิ่รายจะยอมให้ขาสุดจับตัวไปนี่เมืม่ออับจนที่หนนทางแล้วเชนนี้แต่ก็มี่ภูมิใจด้วยประการสำคัญว่าได้วถาวายที่จริงแทนเจ้าหมายของตมคือตายแทนโจตินั่นเองถ้าเจตินมาเองเนี่ยก็ต้องจบขึ้นแบบนี้เหมือนกัน คืออย่าน้อยต้องถูกจากตัวเป็นแน่นอนเป็นอันเดียวมีเดียวเชื่อใอตัวเองมายนภายในการ่เหรธไม่อกี้ทหารทั้งตัวนั้นหนีไม่พ้นเนี่ยบรรดารีอรอคอยราบพลโลเหล่านี้ก็ยอม น, นอนมอมเข้าด้ยวยหมายขนเบ่งท้งสิ่งคนเบ่งก็มีความดี ด, ดีเรื่อเบ็ดไพชนะเนืย อีหมายของเตรียมคุณเย่าผมได้ยินข้อดิยกฐานไปตั้งในนัตำบลเขาที่สาเพื่อขอบูบำเหน็จตะแยะทหารทั้งปวงตามความดีความชอบทั่วทุ่มกันคุเห็นนัดที่มาอีขึ้มาาทีเดียวคือตอนนี้ที่มาียังไม่ได้ออกมาทีื่อจะสาบขาวสุดเฉยชัว เกียวจิ้งเขาก็อาสาไปแล้วนี่ซมาอี่ก็ไม่ได้ออกพักฝั่งนี้บอกมีพระเจ้าเกยยอยก็ต้องออกมาซมาอี้ก็มาปรึกษาที่เดียวบัดนีเกยวจินงบอกมืซื้อมาว่าองมทัพมีเฉยเฉยยกร่วงเข้ามาตั้งนัดตะโดนเขาคิดสารแล้วปีเอียวก็ถึงแต่ความตายไปแล้วปัดแก้ฐานทัพปวงก็เสียแต่ข่าศึกเป็นอันมาก ท่านจะคิดอ่านป้องกันสุกครั้งนี้ประการใดซูมาอูก็ทูลไปตเกย่อยว่าซึ่กองทัพมือเฉลิข์ชวนจะยกมาทางตาบลปังชองนั้นก็ขัดสนมานี้ได้ถกล่าวให้ทรานได้ประการ น, นี้งก็จะต้องกล่าวว่าดีซุมาอเนี่ยได้ตาดป้องกันได้เป็นไรายละเอี